เราก็ได้สวดมนต์ทำวัดทั้งเชา้าทุกเย็นเนาะมันก็เป็นการมารึกถึงพระรัตนตไตยเป็นประจำะก็คือมันไม่ใช่เพียงแค่แเราแบบสรรเสริญเยนยอเพราะพระรัตนตรัยรเสริญเยนยอพระพรุทธ เ, เ, เจ้า พระธรรมหรือพระสงฆ์นะแต่จริงสำคัญในจริงคือเรามีความศรัทธานะมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นนะว่าพระรัตนไตเนะี่ยเป็นเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะหรือถ้าจะเรียกแบบสมัยใหม่ก็คือว่าเป็นเป็นไอดอลเป็นเป็นตัวอย่างเป็น เป็นบุคคลหรือว่าเป็นนามธรรมที่เราที่เราอยากจะไปถึงเช่นนั้นนะเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตของเรานะเหมือนกับเรามีมีบุคคลที่เป็นตัวอย่างนะที่เราเห็นนะหรือที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านนะแล้วก็เกิดเกิดศรัทธาเขาแล้วก็อยากจะเอาเขาเป็นตัวอย่าง มันก็คือเหมือนเราพยายามที่เดินตามทางที่ที่ท่านเหล่านั้นนะท่านเดินไปก่อนนะเราก็จะเดินตามไปด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระสาวกทนะสงสาวกก็ดีนะท่านเดินไปก่อนเรานะเราเองเป็นผู้มาทีหลังนะเป็นผู้ออกบวชทีหลัง จะเป็นผู้ที่มาประพฤติ ร, รมที่หลังเนะ้วก็เอาตัวอย่างนะพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระสาวกสง์ก็ดีหรือว่าแ ม, ม้แต่คนะารวะนะที่ประพฤติปฏิบัติดีก็ดีนะเอาเป็นตัวอย่างในการในการใช้ชีวิตนะชีวิตที่มีนะมีธรรมนำพาเนี่ยันเป็นชีวิตที่ ที่สงบนะแล้วก็มีปัญญาเนาะไม่ใช่สงบแบบเฉยธรรมดานะแต่เป็นสงบแบบรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันทั้งตัวเองรู้เท่าทันทั้งผู้อื่นนะี่เราเห็นชีวิตที่มีตัวอย่างนะมีตัวอย่างที่เราได้ได้เห็นเราก็เกิดเกิดศรัทธาเนหะมือนอย่างผมนะแบบ ตอนบวชก็ไม่รู้ไม่รู้จักนะ่ะหนวงพ่อคำเขียนนะแต่พอได้มาอยู่ท่านก็เออเห็นเห็นท่านเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างก็เกิดศรัทธาศรัทนธะาในข้อวัดปฏิบัติศรัทธาในอุปนิสัยใจคอศรัทนธะาในคำสอนนะ คำสอนที่ท่านสอนพูดอยู่เรื่องเดียวนะพูดแต่เรื่องความรู้สึกตัวแต่ฟังทุกทีก็ไม่น่าเบื่อนะแ ต, แต่แรกเราก็คิดว่าแบบปกติเนอะพูดเช้าเย็นแต่ก่อนพ่อก็พูดเช้าเย็นตอนหลังก็พูดแต่ตอนเช้านะก็พูดแต่เรื่องเดียวพูดเรื่องกันทำความรู้สึกตัวแต่พูด ทุกครั้งทุกขณะนะมันก็เป็นสิ่งที่ที่น่าฟังฟังแล้วก็รู้สึกเกิดเกิดความเรียกว่าเกิดกำลังใจนะเกิดกำลังใจเพราะหลวงพ่อจะพูดให้เรามีกำลังใจนะในการเป้ารกบความเพีย น, นมีกำลังใจในการไปลองทําดูนะ ท่านก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าไปเรียกทั้งหมดหรือว่าบอกแบบละเอียดแต่จริงท่านก็บอกเป็นหนักหลักไว้นะให้เราได้ไปเดินดูนะให้ไปทำดูแต่จริงเมื่อเราทำไปด้วยฟังไปด้วยนะมันจะเป็นการเหมือนแก้อารมณ์ไปแก้อารมณ์ไปในตัวนะแก้อารมณ์เวลาปฏิบัติเนะี่ยไม่ต้องรอ ครูบาอาจารย์ไปสอบอารมณ์นะก็แก้อารมณ์เองในะใหม่ๆก็เราคิดว่าเวลาเราปฏิบัตินะเคยเก็บอารมณ์ือกันตอนบวชได้สักสี่เดือนมนะั้สี่เดือนขอเก็บอารมณ์เจ็ดวันลองดูเก็บอารมณ์ก็มันก็เกิดสภาวะหลายอย่างนะความเหนื่อยความท้อความเมื่อย ความสงสัยอะไรนะมันก็มีขึ้นมาก็คิดถึงครูบาอาจารย์นะคิดถึงหลวงพ่อไม่มาเดินมาหาเราสักหน่อยนอนะ้อนะไม่มาสอบอารมณ์เราหน่อยไม่มาพูดอะไรให้เราฟังสักหน่อยมนะันก็คิดก็เกิดความคิดเหมือนกันนะคิดแล้วก็น้อยใจคิดแล้วกอ็อยากจะได้กำลังใจ แต่ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้มาแต่เราก็อาศัยว่าเออเอาสิ่งที่ท่านเคยเคยสอนเนาะก็น้อมมาระลึกถึงคำเทศคำสอนอามาเตือนตัวเองมาสอนตัวเองวันหลังๆเนี่ยก็ผ่านไปได้นะผ่านไปได้ผ่านเจ็ดวันได้ก็เออเพอะเก็บอารมณ์มัน เป็นแบบนี้ น, ะ, นะตอนเราอยู่ธรรมดาแล้วก็ได้เปลี่ยนอารมณ์จากการไปเห็นนั่นเห็นนี่จากการเดินพินาศหรือว่าจากการนั่งฉันปกติแต่พอเก็บอารมณ์แล้วมันก็เห็นความรู้สึกบางอย่างที่เราบางทีเรารู้สึกว่าครูบาอาจารย์เอาแค่คล้ายๆท่านไม่มา าไม่มาอะไรเราแต่เราก็ได้ยินได้ฟังทุกวันเนี่ยมันก็มันก็เป็นการได้กำลังใจนะแต่บางบางขณะที่เราไม่ได้ไปยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ยบางทีกำลังใจมันก็หมดตงไปนะหรือว่าตอนเหนื่อยตอนล้า่นะคิดว่าเหมือแค่หลวพ่อมาพูดสองคำคำนี้ก็คงมีมีกำลังใจขึ้นมาเยอะแล้วอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่จําเป็นนะสําหรับผู้ที่ฝึกใหม่ๆนะคือผู้ที่ก็ยังลมลุกคลุกคานอยู่ก็ครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ที่จําเป็นมากๆนะแต่ถ้าเราปฏิบัติพอได้หลักพอได้ไแล้วมันก็ครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่เราคอรบแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็จะประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละนะแต่ก็ไม่ แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องท่านต้องมาจําจี้จาชัยมาสอนนะบ่อยๆนะเราฟังสิ่งที่ท่านสอนไว้นะแล้วก็อสิ่งสําคัญคือเราเอาไปทําให้มันเยอะๆนะทําทําตามสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนนะทําเยอะๆทำํำบ่อยๆหรืออย่างพระอาจารย์พิสารเองท่านก็ ประเทศเป็นแนวหลักวิธีคิดเนาะหลักวิธีคิด เ, เป็นเป็นโยนิโซนนะมาสิการในการมองธรรมะแบบภาพรวมหรือการอธิบายขยายธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันละเอียดขึ้นทางดังท่านก็เทศเรื่องการปฏิบัติมากขึ้นมันก็เสริมเสริมกันไปนะมันก็เสริมเสริมกัน หรแม้แต่ถ้าเราได้อ่านหนังสือนะอ่านหนังสืออย่างเช่นหลวงพ่อพุทธทาสนะหลวงพ่อประยุทธ์นะพอพอพนะก็จะเป็นเชิงให้เราเข้าใจพุทธศาสนาให้ถึงแก่นหรือพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงนะเชื่อมโยงโลกกับเชื่อมดงธรรมอยู่ด้วยกันนะแต่ก่อนเราคิดว่าเรื่องอันนี้เป็นเรื่องโลกโลกเรื่องทางโลกเนะี่ยก็ใช้วิธีแบบโลกโลก เจัดการแต่จริงแล้วถ้าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะมันไม่มีการแยกโรกแยกธรรมนะอือาจจะพูดโดยสมมุติเอออันนี้เป็นเรื่องการงานข้างนอกเป็นเรื่องเป็นเรื่องของคนทั่วไปนะแต่จริงก็พูดแค่ภายนอกแหละแต่แต่ใครในใจเราแล่นะน่ะเครื่องมือที่เราเอาจอไปใช้เกี่ยวข้องกับ การงานแม้ดูเหมือนเป็นทางโลกนะแต่เราก็เอาเครื่องมือทางธรรมน่ะ ก, ก็ไปเกี่ยวข้องนะการงานการทํางานหรือว่าการบางคนทําอาชีพนะแต่เป็นพระเราก็หรือว่าเรามาอยู่วัดก็ไม่ได้ทําอาชีพนะไม่ได้หวังผลประโยชน์นะไม่ได้หวังเงินเดือนไม่ได้หวังตำแหน่งหน้าที่อะไรนะแต่เราก็จะเรียงชีพโดย เรียกว่าศิลแล้วก็ทำนี่แหละเนะี่ยเป็นตัวดึงขีดไม่ว่าเราจะทำการงานอะไรก็ดีนะเราก็จะไม่ทิ้งศิลไม่ทิ้งทำนะการงานอะไรที่มันขัดต่อาการรักษาศินเนี่ยนะอันนี้เราก็จะไม่ยินดีที่จะทำหลอกนะเราก็จะทำโดยการที่เป็นสิ่งที่ต้องมีสินนะนะอยู่เสมอ หรือถ้าบางคนจำเป็นต้องทำอาชีพอะไรต่างๆก็ต้องต้องประคองตัวเองดีๆไม่ให้เป็นผู้ที่ไปเป็นศิลทะลุนะแล้วก็อาศัยธรรมะเข้าไปกำกับในการใช้ชีวิตเนี่ยนะโดยเฉพาะสตินะสัมปชัญญะนะต้องเอาไปใช้นะเพราะว่ามันจะได้เป็นการเตือนเตือนตัวเราเองอยุ่ทุพะนะ เตือนตอนขณะที่มันพนองเกินไปหรือตอนขณะที่มันย่อหย่อนเกินไปหรือขณะที่มันเจอโกกรคกระทำกระทบนะโกกะรคกระมคือสุขทุกข์ดินทาสนเสริญได้ด่าเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศเลยคนนี้อันนี้ก็เรียกว่าโกกรคกระทำแปกประการนะในชีวิตเนี่ย ของคนทุกคนก็ต้องเจอโลคกระทำเนี่ยแหละแต่มันอยู่ที่ว่าพอโลค ก, กระทำกระทบแล้วถ้าเราไม่มีธรรมไม่มีสตินะมันก็จะกระเทือนแล้วก็วันไหวแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเนี่ยมีธรรมนามพาเนี่ยสิ่งที่กระทบเนีโลค ก, กระทำกระทบแต่มันไม่กระเทือนน มันกระทาเพียงแค่ถูกกระทาภายนอกนะแต่มันไม่ไม่ไม่ไม่ไมถึงจิตถึงใจเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาเนา ะ, นะมีคนชอบมีคนชังมีคนสนรเสริญมีคนนินทานบางครั้งก็ได้บางครั้งก็เสียบางครั้งคนยกเราบางครั้งคณก็ ไม่ได้ยกเราเลยนะก็แต่จริงมันก็เป็นมองเป็นเรื่องภายนอกนะมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญนะที่เราจะต้องไปไหวนะไม่ต้องไปไหวตามคำพูดนะหรือการกระทำของคนอื่นถ้าจิตใจเรามันคงนะเราก็จะแค่รู้นะรู้สิ่งที่กระทบสิ่งสำคัญคือการรักษาใจนะ รักษาใจอย่างไรให้ไม่ไหวไปกับอารมณ์พวกนั้นแค่คําพูดเนะีะบางคลก็ไหวไปละนะคําพูดคนนะั้นดูเหมือนบาๆนะแต่มันเป็นแรงสั่นสะเทือนต่อจิตใจหลายๆคนเลยนะคาพูดเราเองก็เหมือนกันนั้นเราก็ต้องระวังนะบางครั้งเราเกี่ยวข้องกับคนที่อินทรีย์อ่อนนะจิตใจไม่มั่นคงบางที คำพูดของเราเองก็บางทีเขาอาจจะอืมเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเพราะคำพูดของเรานะอันนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงนะแต่ที่จริงก็ถ้าเรามองเป็นเรื่องโลกธรรมนะมันก็เป็นตัวทดสอบนะเป็นตัวแบบฝึกหัดให้เราได้เห็นวนะ่าเออใจเป็นอย่างไรเวลาถูกสิ่งสิ่งเหล่านี้ยกระทบนะ มันก็เป็นตัวตัวทดสอบอย่างหนึ่งนะในชีวิตจริงของเราว่าทามันก้าวหน้ามากหรือน้อยขนาดไหนก็ดูตรงนี้แหละเมื่อเจอโลกกรรมกระทบแล้วนะเกิดความวันไหวไหมเกิดความทุกข์ใจไหมนะคือเราก็มองเป็นเรื่องตัวทดสอบนะในแต่ละวันแต่ละวันนะมันก็เป็นตัวทดสอบตอีส่วนหนึ่งก็เป็น เป็นสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องหนีหนีไม่พนนะ้นเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าจิตมันเกิดความไม่ชอบเกิดความไม่พอใจความไม่อยากเจอเนี่ยแสดงว่าเราติดอารมณ์ละเราติดอารมณ์พวกนั้นแล้วเพราะว่ามันมันไม่พอใจแต่จริงเราดูมันนะ ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจถ้าถ้าเราดูทันนะมันก็ทั้งไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่จําเป็นต้องต้องหนีมันเราก็ดูมันก็ได้อยู่กับมันก็ไดนะ้อันนี้คือโลกธรรมที่จริงเราจะอยู่ที่ไหนมันก็เจอเท่านั้นแหละนะหนีไปที่ไหนก็ไม่พ้นแอกนะแต่มันก็แต่การที่เรารู้จักอยู่ในที่ที่มัน มันสงบเนี่ยมันไม่วุ่นวายเนี่ยมันก็จะช่วยในการเหมือนตั้งหลักตั้งไข่ได้ได้ดีขึ้นนะเี่เหมือนเป็นตัวตั้งหลักเนี่ยให้เราได้ทําความเพียรต่อเนื่องนะเจอใหม่ๆบางคนถ้าเจอกระทบเยอะๆนะมันก็ไม่ไหวเนยก็ต้องมาอยู่ในที่ที่ปราปยาเนีที่ที่มีหมู่มิตรดีที่ที่สงบดีนะ อย่างที่นี่ก็ถือว่าสปพะพเนาะก็เพื่อเพื่อเป็นการตั้งหลักให้กับเราเนาะนะการงานก็มีบ้างนะแต่ก็ไม่ใช่งานที่นะจะทำให้เราฟุ้งซ่านไปมากนะเป็นการงานที่เราได้ใช้แรงกายนะได้ใช้ใจในการทำ แล้วก็มีเวลาในการภาวนาในรูปแบบมากขึ้นด้วยมันเนี่ยมันก็มันก็เป็นการเสริมเราเนา ะ, นะสิ่งแวดล้อมก็ดีนะอากาศก็ดีอาหารก็ดีนะมีธรรมะไดนะ้ฟังเช้าเย็นก็ดีเนะี่ยมันก็เป็นตัวประกอบกันเนาะเหมือนเชียกกันนะเชียร์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเนาะสิ่งต่างๆเขเชียร์เนเราพัฒนาตัวเราเองนะ แต่เราเองก็ต้องเคลียร์ตัวเองได้ น, ะ, นะเคลียร์ตัวเองให้ให้พัฒนาตัวเองเนา ะ, ะวันคืนก็ร่วมไปร่วมไปเนาะอันนี้ก็ร่วมเข้ามาสู่เดือนกันยายนแล้วนก็ร่วมไปทุกวันนะผ่านไปทีละเดือนมนนันก็ร่วมไปแล้วก็เตือนตัวเองบ่อยๆวันคืนร่วมไปร่วมไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะหรือที่ก็ ถ้าเราดูดีๆก็ทุกลมหายใจของเราเข้าออกนั่นแหละเรามีสติอยู่หรือเปล่าเหมือ น, นเราทำอะไรได้สาระหรือเปล่าเนี่ยก็ก็คอยเตือนตัวเองบ่อยๆเมื่อเราเตือนตัวเองบ่อยๆมันก็จะเกิดความเรียก ว, ว่าไม่ประมาทนะเกิดความพยันเมื่อเรามีศรัทธาที่ได้ออกบวดแล้ว ศรัทธาที่จะอยู่ประพฤติปฏิบัติทมแล้วนะ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีลนะน่มันก็จะเกิดความพยันนะ่ะมั่นเพียร น, นะศึกษาดูว่านักบวชที่ดีหรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่ดีเนี่ยเขาทำอย่างไรนะ่ะเขามีความเป็นอยู่แบบไหนนะอย่างเช่นในบทบรรพชิตนะ่ะที่ สวนพิจารณาเนืองๆสิบประการนก็เป็นตัวตัเตือนเราได้ดีเลยนะบันทักคิดนะเราเป็นบันทึกคิดแล้วนะอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำนะอะไรคือสิ่งที่เราต้องพัฒนาอะไรคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาอะไรนะ ก, ก็จะเตือนเราบ่อยๆนะเหมือนมีครูที่คอยถนาดนะคอยกระตุ้นนะ ให้เราอย่าหยุดพัฒนานะนะมันหยุดพัฒนาไม่ได้นะถ้าเราหยุดพัฒนาเนะี่ยมันก็มันทีจิตมันก็จะไหลกลับไปสู่ทางด้านต่ําทางด้านลบต่อไปนะมันเหมือนภายเรือทวนกระแสน้ำํำนะเมื่อไรเมื่อไรที่เราหยุดหยุดพายนะเรือมันก็จะไหลไปตามน้ำํำอีกละนะเราก็ต้องมาเหนื่อยมาพายใหม่นะ ทางที่บางจุดเราเคยผ่านมาแล้วนะแต่ถ้าเราหยุดพัฒนาเนี่ยจิตมันก็จะไลไปสู่ความหลงหลงไปดังนั้นครูบาอาจารย์ก็บอกบางทีการทำความเพียรเนี่ยตอนไหนมันขยันก็ทำตอนไหนมันขี้เกียจก็ทำมันไม่ใช่ทำแต่ตอนที่ขยันตอนขี้เกียจก็เลิกนนมันก็เหมือนเราขยันเราก็พาย ไม่ขยันเราก็ไม่พายนะมันก็ไปไม่ถึงในเสี้ยนทีนะดังนั้นบางทีเจออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ต้องเรียกว่านะคอยดูมันอยู่เสมอเนะนะความขยันก็คือการมีสติเนี่ยแหละนะมีสติเห็นอารมณ์นะบางครั้งขี้เกียจนะอ่าก็ทําความเพียร น, นะนั่งหรือเดินหรือทํางานอะไรก็ตามก็ดู ดูกายดูใจไปเรื่อยนะก่อนไหนขยันก็ทํำนะแต่ก็ทําให้มันพอดีนะไม่ใช่ทําแบบหามลุ่งทางค่ํำนะไม่พักไม่พอนอนะ่ยก็ให้มันพอดีนะไม่ให้ร่างกายมันเครียดเกินไปนะไม่ให้จิตใจมันเครียดเกินไปนะบางทีความขยันนะมีวิริยะนะมีความเพียร แต่ก็ต้องมีสมาธิเข้ามากํากับนะสมาธิคืออะไรคือความสุขความสงบความตั้งมั่นนบางทีความเพียรขยันแต่ฟุ้งซ่านนะขยันแต่ภายนอกแต่ไม่สงบไม่รู้ตัวภายในนี่ก็ยังไม่เชื่อเป็นผู้ที่มีความเพียรชอบเลยนะแต่ที่จริงเพียรอีกอย่างที่เป็นตัวพิจารณาดีๆแล้วนะ เพียรในีนในการละอุศน์เพียรในการเจริญกุศน์อุศน์อุศลอะไรยังไม่เกิดก็ทำให้มันเกิดกุศลอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เจริญให้มันมากขึ้นเรื่อยๆอกุศนอะไรเกิดขึ้นก็ละมันเสียอกุศลอะไรยังไม่เกิดขึ้นก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซักนี่นี่คือความเพียรชอบเป็นความเพียรที่ใช้ ใช้สติใช้ปัญญาเข้ามากำกับนะไม่ใช่เพียงแค่แค่ร่างกายเนี่ยถ้าเราทำความเพียรชอบแบบนี้นะนทุกสถานการณ์นั่นแหละนะมันก็สามารถทำความเพียรได้นะไม่ว่าเราจะบินธบัตนะิเราเดินผ่านฝูงหมาเนะ้วก็ดูดูใจของเราก็ได้ว่าเราเมตตามันไม่หรือว่าเราเกลียดมันม น, นะอืม กระทบสิ่งที่กระทบเราทุกวันนั่นแหละนะมันก็เป็นตัวตัวเตือนนะเตือนสติเราว่าอคุศลนเกิดขึ้นไหมหรือกุศลนเกิดขึ้นแต่บางทีในการปฏิบัติธรรมนะบางทีมันก็จะมีบางช่วงบางอารมณ์ที่มันเห็นอคุศสเกิดขึ้นในจิตมากมายเลยนะเราก็จะเกิดความรังเกียจหรือความไม่พอใจที่ทาไมมัน คิดไม่ดีเลยนะคิดอกติลเยอะแยะมากมายนะแต่ที่จริงธรรมชาติของจิตบางทีมันก็ติดไอ้อกติลเยอะนะพอเรามีสติเยอะๆมันก็เห็นโอ้เห็นความคิดไม่ดีเห็นโอ้ด้านไม่ดีของตัวเราเองเยอะแยะมากมายบางทีเราก็จะคอยตังหเกียรติอยไม่ชอบ แบบทำไมเราไม่ดีแบบนั้นแบบนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าติดอารมณ์เหมือนกันนะติดอารมณนะ์เพราะว่าไหลพ่อใจมันไม่เป็นกางกับการเห็นมันยังคิดว่าอันนี้คือความคิดของเราคนะือตัวคือตนของเรานะคิดว่าเราไม่ดีนะคิดว่าเราแย่แต่จริงการมีสติคือให้เห็นเห็นเห็นสิ่ง ท, ที่มันเกิดขึ้นนะ อย่าเอาเราไปยึดนะแค่เห็นว่ามันคิดไม่ดีไม่ใช่ว่าเราคิดไม่ดีนะนะถ้าเราเห็นแบบเนี้ยมันจะผ่านได้นะมันจะไม่ติดนะมันจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีที่มันผุดขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจนะความหงุดหงิดนะความกโกรธความพยาบาทนะความอยากนะเยอะแยะมากมายนะ แต่ก่อนก็ไม่ดูไม่เห็นว่ามันมีนะแต่พอภาวนาไปจริงเอ้ามันมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะเล็กๆ็กน้อยน้อยนี่ก็ก็อยากแล้วเนาะอย่างเนี้ยเล็กๆล็น้อยน้อยก็ไม่พอใจแล้วเนาะอย่างเนี้ยเล็กเล็กน้อยน้อยก็หลงไปแล้วเนาะทางตามันก็หลงบ่อยทางหูก็หลงบ่อยนทางใจก็หลงบ่อยมันหลงเยอะจริงๆน่าแต่ละวันแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยทัน จภาวนาไปเรื่อยเอยอเหมันก็เห็นความหลงบ่อยมากนะแต่จริงการเห็นว่ามันหลงบ่อยนะั่นแหละก็คือการมีสติมากเนะแต่สิ่งที่ต้องทําก็คือดูด้วยใจเป็นกลางนะดูด้วยความตั้งมั่นนะถ้าใจเราไม่เป็นกลาง ม, มันจะเกิดความชอบเกิดความชังนะเกิดความดีใจเกิดความเสียใจนะนะเ่อันแต่ที่จริงสิ่งต่างๆพวกนั้น ม, นะมันมา ให้เห็นนะมาให้เห็นมาให้รู้นะหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าเหมือนให้มองไปเป็นเพียงแค่อาการนตะักแต่ว่าอาการนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้ค่ามันว่าอันนี้ดีไม่ดีนะ่ตักแต่ว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็พอนะนั้นเราก็ดูปรากฏการที่มันแสดงนะดูเป็นตักแต่ว่าอาการนะ่จะทันเป็น คือโรกโกดลงหรือเปล่าหรือไม่ทันเป็นก็ช่างหัวมันนะหรือว่าด้านบวกหรือด้านลบก็ช่างหัวมันนะสักแต่ว่านะสักแต่ว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็นกับมันนะเนี่ยนี่คือธรรมะสุดยอดเลยนะะเราสักแต่ว่ารู้นะสิ่งที่เกิดขึ้นจิตมันก็จะเป็นกลางกับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นนะมันก็จะข้ามไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆ นั้นสิ่งที่แสดงขึ้นมาในกายในใจเนี่ยเราก็าจะพ้นมันไปนะเขาเรียกว่าไม่ติดอารมณ์นะไม่ติดอารมณ์อารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นมาสิ่งที่กระทบเข้ามาเนี่ยไม่ติดนะเราผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยนยะมันจะก้าวหน้าได้เร็วอันนี้คือการทำความเพียรนนะเมื่อเรามีศรัทธาในพระรันตนตรัย มันมีความขยันหมั่นเพียร น, นะมันก็จะมีความสํารวมระวังนะมันจะเป็นศีล น, นะศีลคือการสํารวมระวังนี่แหละนะศีลคือการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามวิธีของอริยะนะคือก็คือวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์นี่แหละนะมันเป็นศีลอันยิ่งนะศีลไม่ใช่เป็นแค่ศีลข้อๆนะ แต่สินจริงๆก็คือกายวาจาใจของเราเนี่แหละนะมันเป็นปกติมันเรียบร้อยนะมันไม่ทามันไม่เป็นทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายตัวเองอันนี้แหละคือสินมันยิ่งนะสินของเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้ น, นเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นการอบรมธรรมนะอบรมธรรมมีสติมีปัญญาพิจารณาไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อย ควเข้าใจธรรมมันก็จะเกิดขึ้นนักอย่างที่เราได้สวดเนี่เมื่อเรามีศรัทธานะต่อพระพุทธเจ้าต่อพระรัตนตรัยแล้วนะเราก็จะเกิดความเรื่องใส่เนี่ mm. เกิดสิ้นขึ้นมาแล้วก็เกิดความเห็นธรรมนะต่อเนื่องไปเรื่อยอันนี้นแหละคือ mm. วิถีชีวิตมันก็จะเกิดนะ mm. ความคล้าย ค่อยๆไกลนะค่อยๆไกลจากกิเลสนค่อยๆไกลจากความทุกข์ถ้าเปรียบเหมือนกับกองความทุกข์เหมือนกับกองไฟนะแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่ในไฟนไฟมันก็เผาไหม้จิตใจมันทุกข์มันร้อนนไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมห ะ, ะมันเผาในใจเรานะ ไฟมันอยู่ในใจนะเราคิดว่าไฟอยู่จากข้างนอกนะจริงไฟมันอยู่ข้างในใจนี่แหละนะแต่พอเรามีสติเรื่อยๆนะเราก็จะถอนใจออกมาจากราคะโสะโมหะนะถอนไ ป, ไปอถอนไปบ่อยๆถอนไปไ่อยๆมันก็จะห่างขึ้นห่างขึ้นห่างขึ้นเออความร้อนนะเพราะความโกรธความร้อนเพราะความอยากความร้อนเพราะความหลงก็จะ ห่างไปเรื่อยๆเนะี่ยเหมือนเราเดินหนีไฟไปเรื่อยๆนะยิ่งห่างไปเท่าไหรอนุภาคของไฟที่มันจะทําให้จิตใจมันร้อนรนเนี่ยก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะนะั่นแหละนี่คือการภาวนาเราก็ดูนะดูความทุกขนะ์เนี่ยมันลดน้อยลงไปความทุกข์มันหา่างลงไปมันมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกขนะ์เนี่ยมันมีทุกข์ นะแต่เราเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ทุกข์นะไม่เอาเราก็เป็นเป็นผู้ทุกข์นะี่ยหลคือตัวสติปัญญาที่ที่เราสามารถที่จะนะเกิดขึ้นได้นะจริงๆนะให้เรามั่นใจไม่ใช่มั่นใจเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์นะจริงต้องมั่นใจตัวเองนะว่าทําได้นะ มั่นใจว่าเราก็คนเหมือนกันนี่แหละนะหลวงพ่อกะพระเจ้าก็คนเหมือนเรานี่แหละนะท่านก็เคยโกรธเคยโลภเคยหลงนะเหมือนเรานี่แหละนะแต่พิณเห็นหว่าสิ่งที่ต่างกันตอนนี้คือท่านพัฒนาไปถึงถึงความพ้นทุกข์แล้วนะแต่เราเองเป็นผู้ที่กำลังเดินทางอยู่เนยะเราก็ต้องมั่นใจว่านะเราก็ทําได้เหมือนกับท่านนะั่นแหละะ แต่ก็สิ่งสำคัญคือความตั้งใจทำเลยนะไม่ใช่แค่เชื่อแล้วก็อยากนะอยากจะพ้นทุกนะอยากจะเป็นคนอยากจะเป็นคนดนะีอยากจะเป็นคนที่มีสตินะพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะถึงได้โดยการอธิษฐานนะมันต้องมีการกระทำนะเหมือนเราหิวอยากจะอิ่มนะโดยที่ไม่กินนะ มันก็ไม่ได้อยากจะพ้นทุกข์อยากจะพ้นจากกิเลสก็ต้องมีการกระทำเข้ามาประกอบเนะี่ยมันถึงจะพ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากกิเลสได้นอกเราก็ต้องพยายามหมั่นทําความเพียรไม่ว่าจะทาอะไรก็แล้วแต่ก็ก็ทาความเพียรได้ตลอดเวลานะถือว่าเป็นการภาวนาทุกอย่างนะ การงานใดที่เป็นการงานชอบที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถภาวนาได้และโลกกระทที่มากระทบนะก็เป็นอาจารย์เป็นตัวทดสอบนะเป็นครูที่สอนธรรมะเราทัานนั้นนะต้องขอบคุณขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนี่ยมันเป็นตัวทดสอบเราทัานนั้นแหละนะอย่าไปมอนว่า มันไม่ดีไม่ชอบไม่พอใจนะมองเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยเราจะได้ธรรมะในะทุกขณะทุกสถานการณ์เลยก็ฝากไว้นะนเช้านี้